ที่พระเจ้าทรงสดแสดงเอามาเป็นสูตรทำวัดเจ้าทำวัดเย็นคือเรื่องของเรานี่เลยก <c oughs> ารฟังธรรมก็ฟังเรื่องของเรานี่เรื่องของเราก็มีกายมีใจ ถ้าใครทั่งอยู่นี่มีกายมิใจก็จงฟังบ้างมีสติมีไหมหรือมีแต่ความหลงถ้าไม่มีสติเอาเพียนประกอบให้มันมีขึ้นมาจะปล่อยที่งไปจำเป็น ถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับกายใจไม่มีเจ้าของไม่มีใครดูแลเต <c oughs> ือนอสอนใจจะหยิบไปใช่เลยก็ได้จะให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษ โ, โกรธเกลียดชื่ีแฉ่งอะไรก็ได้ถ้ากายใจไม่มีเจ้าของ เื่อป่าเถื่อนให้เรามีกายก็ยังพึ่งกายไม่ได้เรามีใจก็ยังพึ่งใจไม่ได้เรากายไปทาชั่วเอาใจไปคิดชั่วเป็นความผิดศีลผิดธรรมเพราะกายเพราะใจไม่มีเจ้าของไปตกระลกไปเป็นเปเป็นสุรกายเพราะกายใจไม่มีเจ้าของ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 ก็ไม่มีภยัยไม่มีภัยเรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์งมจย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ชช่นเชิญถ้ามันมีประโยชน์ปลอดภยัยแล้วผู้อื่นก็สิ่งอื่นก็ปลอดภยัยอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นถ้าว่ามันมีภัยอยู่ในชีวิตเรา ไม่ดูแลก็เป็นทุกข์เป็นโทษจอคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นได้จนมีตำรวจทหารมีตัวบทกฎหมายมีคุกมีตารางต่อคนไม่มีไม่ดูแลตัวเองรักษาเตีงไม่คุ้มจนจับคุมคุมขังติดคุกขังเอาไว้ ตลอดชีวิตก็มีถึงปล่อยไว้มันจะดูไล่ไปทำลายคนอื่นจิ่งอื่นต้องขังไว้แล้วก็ปัญหาเราจะมาเราจะมาศึกษาซะให้มีการเริ่มต้นซะแต่มั่เริ่มต้นมันมีโทษ อย่างฟันเรานี่ทถ้าเราไม่รักษาก็มีโท ษ, โ ท, ษทำให้เจ็บปวด ท, ทำให้ไม่มีฟันเชี่ยวอาหารการักษาดีๆก็มีฟันใช่ตลอดชีวิตบางทีอายุมากแก่เท่ามารจึงมารักษาฟันก็ไามา่อยู่ แม่สุขภาพร่างกายนี่ใช่ตะเปตาปะไปกินอะไรก็กินกินเหล้าสูบุหรี่ก็เป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อมารู้สึกตัวก็เอาไมา่อยู่เชินแล้วเป็นโลกตายเพราะไม่ดูแลรักษาจึงมาประพฤติธรรมชาตให้บริสุทธิ์ให้มีสติเนี่ย คอยดูเลใไอมีการเริ่มต้นถ้าแม่มีการเริ่มต้นก็ไม่มีทา่ามกลางไม่มีที่สุดชีวิตต้องเริ่มชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่เสมอให้มั น, มนให้มั น, มนตั้งหลักไว้ดีๆการเริ่มต้นคือธรรมวินัยเนี่ยเหมือนมาตั้งเหมือนกบโปลูกต้นไม้ โเาโลากันฝังลง ด, ดินเมื่อลากก็ไม่ลองไปสู่ดินมันก็เจริญงอกงามเองแต่ลากเหมือนทำในในตาต้นเหมือน ห, นหอนายใจ แล้วก็เกิดโดกออกฝนเสียงค่อยครับเสียงค่อยอะไรเสียงเค่อยๆครับเสียงค่อยไปครับมันดังยไม่บ้ดังแล้วใกล้ใกล้เลยอ่นี่อันี้อันนี้ใกล้ๆเลยจะให้ร้องใส่เลยไม่ใช่ร้องเพลงนะอ่าอ่า มีรากมีลำต้นมีกิ่งก้านสาขามียอดเกิดด อ, อกออกผลรากสำคัญเรียก ว, วิวหนทำวิหนวินในวิคือวิเศษในยะนำไปสู่ความวิเศษ จะคิดจะทำจะพูดเริงใดให้มีแบบฉบับแบบความเป็นพระมาเข้าแบบมาเข้าพิมพ์ออกแบบแบบกายแบบใจมีอยู่คิดคิดให้เป็นถ้าทำทำให้เป็นเรีวยกว่าแบบมันหล่อเสา ต้องการเสาเดียมก็ทำพิมพ์เดี่ยมเดียมต้องการเสากลมก็ทำพิ์กลมกลมต้องการรูปอะไรก็ทำพิมพ์มดีๆพิมพ์ดีมันรูปมันดีเรียกแบบฉบับแต่เรามีสติมันก็เป็นแบบมีสติวันละความชั่วมีสติมันก็ทำความดี มีสติจิตก็บริสุทธ์ไปเลยทีเดียวไม่ได้ยากถ้าขาดสติเหมือนก็ออกแบบเหมือนกับเทปูนลงใส่เสาเไม่เข้าแบบก็าเป็นขยะไปใช่ไม่ได้ยังมีอยู่ในแบบก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีสติเวลาพูดเวลาทำลรยคิด รู้สึกตัวอยู่มีสติต้องหัดถ้าไม่หัดมันไม่เป็นหัดมันจึงค่อยเป็นมีกายก็ผิดศีลผิดธรรมได้มีใจก็ผิดศีลผิดธรรมได้เพราะไม่หัดหลงถ้าหลงพูดผิดทำผิดคิดผิด เลามีความรู้หรือมีความหลงมากกว่ากันอายุลงมาถึงวันนี้ปูนนี้ต้องตั้งต้นดูอาศัยกรรมฐานอาศัยแบบเนี่ยผู้เขนเข้าขมีสติเยียขนออกมีสติโอ้เจ้าทำอย่างนี้จึงได้เกิดพุนธเจ้ า, านีาสนา รักษากายรักษาใจแต่ก่อนไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเรียนมาหลายศาสตร์สิบเจ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพุทธเจ้าพอมาศึกษาเรื่องสตินี่เข้าลนะเป็นพุทธเจ้าเรามาถึงพวกเรามีอนิสงส์มาถึงพวกเรานี่ เรามาใช่สูตรนี้ก็มันเดียวกันสติอยู่กับเราเวลานี้รู้ฉขนเข้ารู้สึกเกียดเขนออกรู้สึกกลับอยู่กับพระพุทธเจา้าสามพันปีสองพันหาร้อยปีมาแล้วก่อนตัดสั้ลูสี่สิบ ส้ากรอนปริพันธ์จีสี่สิบห้าพันศานับตั้งแต่วันปริพนธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบสามบวกสี่สิบห้าเข้าไปเป็นเท่าไหร่นั่นแหละมีบาดาลแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอันนี้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 มีร่างกายมีเจสาขนผมทั้งหลายโลมาขนทังทนท้งหลายเทนเล็บทั้งหลายผมขนเล็บฝันหนังเนือ้อกระดูกยเยอะในกระดูกมาหมอเจตับไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าน้ำมูกน้ำลายน้ำมันน้ำตาน้ำหูน้ำหนองน้ำเลือด <laughs> อันเดียวก็หมดเลยไม่ใช่คนลยาก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 วตเนี่ยไปอยู่กับคนแก่ก็คือสติอยู่กับคนหลงก็คือสติอยู่กับนากขุดคือสติอยู่กับพลาวาตรย่อโยงคือสติมันเป็นอันเดียวกันสากลตัดไว้ดีอย่างนี้พระธรรมจะเป็นคนละอันไม่ได้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเราไม่น่าจะสงสยัยเราจึงมาตั้งต้นกระเถอ ใช่สถานที่อย่างนี้พออยู่ด้วยกันได้ไ ม, ม ไ, ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ฝืดคลังเกินไปพออยู่ได้จึงมาประกอบขึ้นมามีศรัทธาบ้างมีความเชื่อมาบ้างเป็นพื้นฐานเป็น จ ะ, จะเปรียบก็เหมือนเนื้อหนาศรัทธาเหมือนเนื้อหนาความเพียรเหมือนน้องฝนสติเหมือนข้าวปลูกจะมาธีคือเปลี่ยนลายเป็นดีเหมือนกับคาดกับไถอันหลงเปลี่ยนเป็นลู่ให้มีกำลังตรงนี้อย่าให้หลงเป็นหลงมันง่วงเปลี่ยนเป็นความรู้ตื่นขึ้นมา มันโกรธเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธมันทุกข์เปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์วดไถเหมือนพลิกหญ้างลงไปถ้ามันมีดินขึ้นมาจะได้เหมาะแฉ่การปลูกสติถ้าหลงก็ง่วงถ้าอะไรยัง ย, งยกมืออยู่ยังเป็นกิริยาไม่ใช่กรรมกรรมมันต้องเป็นผลกตตกรรมไม่มีผล ก็นั่งสร้างจังหวะอยู่บ่อยหมกมุ้นคุณคิดมันก็ไม่มีผลแต่เจตนาใสา่ใจเริ่มจกตัวสิบสี่รูหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูห้ารูใส่ใจหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอง สามสิบสี่เนี่ยรู้สิบสี่รู้วินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งลองดูจะเกิดอะไรขึ้นพิสูจน์กันดูจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงทิศหลงทางไหนะเป็นคําตอบของเองเวลาหลงใครหลงไม่มีคนอื่นเห็นเราเวลาหล ง, เว ล, ลงเวลาลู่ต้องไปขอคนอื่นมาช่วยไหนะไม่มีประกอบขึ้นมาเลยให้มันลู่ขึ้นมา ทำลองดูสัมผัสลองดูมันจริงมั้ยความโลงจริงมั้ยความรู้จริงมั้ยความโกจริงมั้ยความไม่โกจริงมั้ยความทุกข์จริงมั้ยความไม่ทุกข์มันจริงมั้ยสัมผัสเอาจะว่าจะว่าสัมผัสอ่าสัมผัสจะว่า กายใจพัฒนาหารเมโดสังเจตราราหารพัฒนาหารวิญญาณอาหารกินเข้าไปให้มันสัมผัสความรู้เข้าไ ป, ไปเป็นอาหารใจสัมผัสความหลงก็เป็นโทษของใจ กะว่าเงกาหารอาหารคือคำข้าวกลืนลงไปไปเป็นเลือดเป็นเนือ้อ เ, เป็นชีวิตเป็นกําลังกาว่าเหลงกาหารอาหารคือคำข้าวกลืนลงไปในลำคอไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นกําลังเป็นชีวิตเกิดเจ็เจ็บตายพัฒนาอาหารมโนสัญเจตราหารเป็นอาหารทางวิญญาณ ทางใจกินลงไปสัมผัสลงไปไม่มีเกิดไม่มีเจ็บไม่มีเจ็บไม่มีตายนั่นมีอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยมีอาหารปเภทนี้กัจงจนจนอาหารเภทนี้คือโกรธนั่นแหละจะได้ว่าขาดอาหารทุกนั่นแหละขาดอาหาร อาหารใจอาหารกายอ้วนใหญ่เหมือนไก่หมูขึ้นต่อชูช่างขายบ่มีค่าถ้าขาดอาหารใจไล่ทำหมดราคาเราจึงมาจินอาหารใจเหตุวันไหนมันจะอิ่มขึ้นมาบ้างไหมมีสีสันขึ้นมาไหมมีสติก็เลิความชั่วมีสติมันก็ทําความดี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 ชีวิตมันไม่เป็นอะไรมันไม่ได้เห็นเห็นไม่เป็นเห็นหล ง, ลงรู้นานไม่มีหลงเป็นหลงหลงไม่เป็นหลงทุกข์ไม่เป็นทุกข์โกรธไม่เป็นโกรธเปลี่ยนเป็นปัญญาไปเลยปัญหาเป็นปัญญาไปเลยต้องทำเอาเองไม่มีใครช่วยท่านได้รักกัน สามีพัญญารักกันก็ช่วยกันไม่ได้พ่อแม่รักโลกโลกก็รักพ่อแม่ก็ช่วยพ่ อ, ช, พอช่วยแม่ไม่ได้ไครก็ตาบต้องเป็นของไข่ของมันพระธรรมอันพระผู้มิพาะเจ้าตัดไปดีแล้วอย่างนี้ผู้ศึกษาจะต้องทําด้วยตนเองได้ทันทีอยากรู้เวลาไหนก็รู้ได้เอากายมาประกอบเป็นวัชรุ ป, ปกรณ์ผลิตออกมา ได้ทุกอย่างหายใจก็รู้ได้ขึ้นน้ำลายก็รู้ได้เดินก็รู้ได้ยกมือสร้างจังหวะก็รู้ได้เวลาใจที่มันคิดไปก็รู้ได้มันคิดในทุกโอกาสไม่ได้ตั้งใจนะเวลานอนก็ยังคิดแต่และโอกาสที่รู้มาแล้ว <c oughs> จะนกดีนอนปฏิบัติก็ได้ ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้เด็กที่นี่ก็เหมาะอยู่ในป่ายินดีบ้างไปคนเดียวบ้างจารีกไปคนเดียวมีสติคนเดีย ว, ยวปฏิบัติคนเดียวหลุดพ้นคนเดียวไปที่เดียวกันถึงจุดหมายปลายทางเดียวกัน ผ่านหลงเป็นลูกผ่านง่วงเป็นลู ก, ลกมันจะเจอผู้เขาลูกแดกต้องมีปัญหาที่นอนหนึ่งละง่วงเหงาห่อนสองคิดพุ่งร้านสามหลังเหลสงสัยอะไรหลงตาสอนอะไรที่นี่อย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉันชอบอย่าเอาเหตุเอาผลมาอดลอง เหตุผลไม่ใช่จะจะทำไม่ใช่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบถอนความชอบถอนความไป่ชอบ อ, อกว่ามีสติเแล้วแห้ะอยู่นั่นแหละถูกต้องกร็ราบลาค่ะปฏิคะ่ะปางรทิฏฐิเพินภูเขาลูกได้มีตัวมีตนในกายก็มีตัวมีตนร้นเคยกูหนาวเคยกู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 มันเป็นอาการธรรมชาติของเขามันเป็นสัญญาณไผ่ถ้าไม่มีความหิวความปวดมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อลูกมันเป็นอย่างนั้นต่อต้องอดลูกวางอย่างกําหนดลูกโดยการลูกเฉยๆบางอย่างกําหนดลูดดกโด ย, ายา ก, นนดดการบรรเทาเปลี่ยนใหม่นั่งอยู่มันล้งกันไลูกขึ้นเดินเ <c oughs> หิวก็จิมข้าวบรรเทา บางอย่างก stroke, four, time, time, right you, <wh> ็ลู้เฉยๆมันเทาก็ไม่ได้เช่ไม่ได้เช่นหายใจเข้าหายใจออกเช่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไหวจะไม่ต้องหายใจแต่มันไม่ได้จะต้องหายใจมากมๆก็ไม่ได้ต้องเป็นไปตามอาการของลูกเป็นอย่างนี้กําหนดรู้โดยการลู้เฉยๆปัญหาบางอย่างทุกบางอย่างก็รู้โดการละเรื่องความโกรธ กรรมละคะมาละทิฐิกำหนดรูด้โดยการละเลยละไปเลยอย่าให้มันมีเป็นแผลเป็นในชีวิตเราบาที่โกรธเป็นแผลเป็นพอใจที่จะโกรธเวลาทุกข์ก็พอใจที่ทุกข์มันเป็นแผลเป็นเลยติดเราไปมีรอยรอยแผลในใจ ลอยลักก็มีลอยแค้นก็เสียใจก็มีเจ็บ ป, ปวดมันมีแผลแผลเป็นเพราะมันโกรธกันรู้ทันทีเปลี่ยนโกรธเป็นรู้เวลามันทุกข์กันมาเปลี่ยนทุกข์เป็นรู้มันไม่เหลือรักษาเยี่ยวยาส้อมมันชีวิตเราเหมือนรถมือสอง่งชนมามากแล้ว จ็ปวดมาหลายครั้งแล้วมีรอยอะไรบุบบิบปารอยลักรอยแค้นรอยชกรอยทุกข์รอยได้รอยเสียสารพัดเจ้าสารพั ด, จ า, ดจากของลอกของชอบใจปาญาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นผมไม่สบายกายคมไม่สบายใจความคับแฉ่งใจถูกความทุกข์ย่างมาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ต้องเกิดเช่แชตายแน่นอนเราจึงต้องเตียงตัวให้มันเสร็จซะเสร็จเลยเริ ต, ต้นจากสติตั้งกลางคือสติที่สุดคือสติมีสติลแล้วแหละอยู่มีสติลแล้วแหละอยู่จบเลยถ้ามีหลงลแล้วแหละอยู่ไว้แต่โลกให้เสืยใจ แ้วมีสติจะสุขไม่มีอะไรชีว no ิตมันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรชีวิตนะถ้ายังสุขยังทุกข์ยังพอใจไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตเอาจิตไปห้อยไปแขีนกับสุขกับทุกข์เอากายไปให้เป็นสุขเอากายให้เป็นทุกข์ให้กายให้ใจเป็นสุขให้ใจเป็นทุกข์มันไม่ใช่ ไม่ใช่แล้วไ ม, ไม่ใช่กายเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เราไม่ใช่ใจให้เป็นสุขเป็นทุกข์เราจะไม่เป็นอะไรกับมันเลยเราจะเป็นใหญ่กว่ามันเราจะไม่เป็นอะไรกับมันเนี่ยสิทธิของเรามีสิทธิร้อยเปซวลามันโกรธมีสิทธิไม่โกรธร้อใช้สิทธิของเราเวลามันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์ร้อยเ์ตใช้สิทธิของเรา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 จะไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นเป็นมไม่ได้เราต้องสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นหนึ่งชีวิตของเราก่อนนับหนึ่งจากตัวเราก่อนอย่าไปนับคนอื่นเช็ญคนอื่นไม่ใช่ชี้โทษคนอื่นไม่ได้ต้องชี้โทษตัวเองสติจะมองตนอยู่ดังนี้เห็นตัวเองแก้ตัวเอง จงเตือนตอนด้วยตนเองนะภิกษุทั้งหลายจงแก้ไขตนด้วยตนเองนะภิกษุทั้งหลายจงมีสตินะภิกษุทั้งหลายเธอจะอยู่เป็นสุขสงบแล้วพระเจ้าสอนตรงนี้ไม่ใช่เออไปอยู่ประสาสามดูนะไปมีบริวารมามากนะสิทัตเป็นมาแล้วในบ้านตั้งสามเรื่ดู ฤ ด, ดูล้อนอยู่หลังหนึ่งฤ ด, ดูหนาวอยู่หลังหนึ่งฤดูฝนอยู่หลังหนึ่งแต่พระองค์ไม่ได้ตัดชะลูกระดับชะลูอยู่ที่ต้นไม้พระมีหญ้าคาห้ากำมือปูนั่งเท่านั่นเองเป็นพระพุทธเจ้าประสูตรก็ที่ป่าที่ดินตัดชะลูก็ที่ป่าที่ดินแต่แดงทำก็ที่ป่าที่ดิน ป่าลี้พานก็เอาหลังนอนลงไปบนดินไม่มีกระดานพื้นปูมีผ้าสังขาติอาโนนปูให้นอนลงไปถ้าพระเจ้าจะนอนไม่ลุกอีกต่อไปแล้วประสูตรที่ป่าตัดจะลูที่ป่าจะแดงทมที่ป่าป่าลี้พานก็ที่ป่า ให้ยินดีอยู่เฉยาสนะสงัดสักหน่อยอย่าคุกคีแม้เราอยู่ในป่าก็ยังอยู่ในบ้านไม่ใช่หมกปุ่นคนคิดไปอยู่ไม่ได้สงบเกันไปสงัดกันไปมันเคยกินชีวิตบางทีอยู่ดีๆลองดูเิี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆนะป่าเนี่ย มันเป็นมิตรของเราเป็นแต่เพื่อนให้แต่ความสุขปล่มเย็นมิตรแท้ป่าเป็นมิตรแท้ให้แต่ความสุขปร่มเย็นโดยเพราะป่าที่นี่ห้ารอยไร่เนี่ยไม่มีสารพิษเคมีใดๆทั้งสิน้นไม่เคยใช้สารพิษเหยียบได้บนเม็ดดินไม่มีโทษไม่ผ่า น้ำที่ไหลลงไปเนชาน้ําในป่าเนี่ยซึมลงไปไม่มีน้ำไหลเข้ามีแต่ซึมลงไปดินนี่ยังไม่ตายน้ําซึมแต่ดินที่ได้ไล่ชาวนาชาวไร่มันตายแล้วดินไม่ซึมเวลาฝนตกก็ร่อยไม่ซึมอนี่เห็นน้ำไหลน้อยมีแต่มันซึมลงเว้นแต่เราขุดลองขุดล่อง จึงมีแล้วเบียบอย่าขุดดินทีน่นี่อย่าขุดล ง, ลงเวลามันไหลก็ให้เอาอะไรไปขวางขั้นไว้ให้มันกระจายเลี่ยแต่เห็นน้าไหลที่ไหนแล้วก็ให้มีขอนมีอะไรไปขวางไว้ก็ดีอย่าให้มันไหลให้มันซึมลงไปนึกพออยู่กันได้อย่าไปเปรียบเทียบอะไรอยู่บ้านของท่านมีตู้เย็น เสื้อผ้าอาบอดมีมากอยู่ที่นี่เรามีผ้าสามผืนต้องใช้ชีวิตผ้าสามผืนลองดูประหยัดธรรเราหวังอยาให้เหม็นชาเป็นข่าวเวลาซักอย่าบิดอย่าปัน้นซักสะอาดแล้วก็ผาเราให้น่ามันไหลมาจะเี้ยนงะเราใช้ชุดหนึ่งางๆน้อยตั้งได้สี่ปีประหยัด ใช่แล้วก็ปรยหยามมีสติมันจะไม่สิ้นเปลืองกินอาหารก็ยินอาหารอันที่ย่อยง่ายๆอย่าไปกินอาหารกินดีบๆสุกๆเพื่อนของเราอยู่ที่นี่แต่เป็นโยมกินอะไรก็กินมากบรมาบวดได้ย0 3สบสามสปีลูกมันเกิดมาตั้งแต่เป็นโยมโนนมันเกิดมาตแต่เป็นโยมโนน เป็นโรคตบเสียคิดไปไม่ใช่มาเป็นโรคเพื่อบวดมาแล้วนันมาตั้งแต่ก่อนโน้นแมืนั่นเราเริ่มต้นสะเริ่มใช้ชีวิตให้แม่นยำชัดเกนทํทำอะไรมีสติลองไปลองดูจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนท่านไม่ต้องคิดอะไรอยู่ที่นี่ให้ทำงานแบบนี้ จะกินอะไรไม่ต้องไปคิดสูทายจะนอนตรงไหนไม่ต้องไปคิดสูทายลองดูวก็คงไม่มีการปล่อยเที่งกันเราจะดูแลเดือดร้อนเลยถามอาจารย์สงศ์นจะโนดเป็นเจ้ารองเจ้าวาดเจ้าวาดมาอยู่อาจารย์ไปศาลอยู่ภูหลง มหาวันแต่แล้วก็เคารพท่านอยู่นี่ทุกลูปทุกองอาจารย์โนดเป็นรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ที่มีสามลูกผู้ปฏิบัติหน้าที่มีเจ้าวาดลูปที่หนึรองเจ้าวาดลูปที่สองผู้ช่วยเจ้าวาดเด็กลูปที่สามบ้าบังใหญ่ห้ารอยไร่กติ้งตั้งเป็นร้อยรยหลัง คนก็พอมบีมากต้ารูปเดียวไม่พอใจเราก็เคารพก็มีอะไรปัญหาอะไรก็บอกย้อโนดสุธิศาสตร์มีเสียงเยไงฮะได้ยินมั้ยยันเชลินบอกว่าไม่มีเสียง เท่านี้เสียงลงตาพนาภาพแล้วมันหมดแล้วหมดโอกาสจริงๆนะ ย, ย่ <c oughs> าโจมเฮยภาพเสียงไอ้ลอยมันตายไปหมดเลยลินก็ยังแข็งอยู่เนะนี่ยไอ้รอยจะอยู่ได้อีกเท่าไหร่กันเตินจากกติมาทำวัดก็เหนื่อย เดินจากกติไม่เดินจากกติไปฉันข้าวก็เหนื่อยเดินฉันข้าเสร็จแล้วมา ก, กติก็เหนื่อยหมดจริงๆแรงเนาะแรงน้อยหมดเลยล้วอแต่แต่ชีวิตมันไม่เป็นไรนะไม่เป็นอะไรนี่คือเรามาคิดไม่เป็นอะไรกับอะไรยอดเยี่ยมที่สุดมาตรฐานมาตฐานชีวิตเรา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 เอาเป็นโทษแต่ผู้เจ้าเอาเป็นประโยชน์ผู้ใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขาร น, นี่ไม่เที่ยงนั่นแหละคือนิพพานผู้เจ้าเห็นอยาน่างนี้ยิ้มในความไม่เที่ยงผู้ตุชนลงให้ความไปเที่ยงผู้เจ้าเห็นเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์นั่นแหละคือนิพพาน เพระเจ้า <Jerry> เปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เปลี่ยนร้ายเป็นดีอย่างเนี้ปุถุชนเอาทุกเป็นทุกพุทธเจ้าเอกทุกเป็นนิพพานเปลี่ยนร้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันหลงนั่นแหละเป็นรู้ดีขัวหลงมันโกรธเป็นรู้มันทุกเป็นรู้เลือกเปลี่ยนร้ายเป็นดีมีไหมมีหลงไหมเปลี่ยนมาเลยเป็นรู้ มีโกรไปเปลี่ยนเลยเป็นลูกมีทุกข์ไหมเปลี่ยนทุกข์เป็นลูกถ้าไม่เปลี่ยนมันไ ม, ม่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นลูก <m uch as> เป็นเป็นกระแสแห่งพระเนาพานเ <m uch as> จอทุกข์เป็นทุกขยย์กระแสแห่งนรก <m uch as> มันดึงไปเ <m uch as> จอทุกข์เป็นลูก <m uch as> ปกระแสพระเนพานผู้ได้กระแสเห็นอย่างนี้ จะเลิญชะตริดดปฐานได้กระแสแห่งมรรคผลนิพพานใต้ทุ่งอรุณเหมือนแสงเงินแสงทองเวลานี้ขึ้นแล้วลุ่งอรุณแล้วผู้ที่เห็นหลงเป็นรูปลุ่งอรุณแล้วถูกต้องที่สุดทุกโกคความหลงเห็นโกธเป็นรูเห็นทุกเป็นรูถูกต้องโกคความทุกความโกดลุ่งอรุนแล้วได่ว่าได้กระแสแห่งพระนิพพาน ด้วยจะไม่ไปเลยจะดํำมือดอยู่นั่นเลยเปียนทำดําเป็นกคำทำขาวซะทำดําคือหลงทำขาวคือรู้ทำดําคือทุกข์ทำขาวคือไม่ทุกข์ทำดำคือโกรธทำขาวคือไม่โกรธจงเปล่าทำดำเสียแล้วเจริญทำขาวโอคาโนคามัคมาวิเวเจยะธาตุลมัง จงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําได้ยินบอกเจ้าเรียกอยู่แนละ้วกวกเือเราเรียกอยู่แล้วนะเรียกเราอยู่แน้วนะมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่ไม่น้ำไปหลงทําไมไปโกรธทาไมไปทุกข์ทำไมควมไม่หลงมันไม่อยู่ควมไม่โกรธไม่อยู่ควมไม่ทุกข์มาอยู่ขึ้นมานี้มานี้ <laughs> เอ้บางก็มีด้วยประการชนิกลับผ่าฟ้องกัน